ขอความจเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาเจรยศสีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรตอนที่ว่าโดยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยอายตนาปภ ะ, ะซึ่งในช่วงทรงเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย จะรวมกันแสดงไว้ทั้งหมดที่จริงก็คือกลุ่มอริยสัจแต่ว่าตอนปลายนี่จะส่งไปสรุปไว้ที่อริยสัจในกรณีของอายตนปะปภะคือทรงสอนในรู้จักอายตนะภายในอายตนะภายนอก ซึ่งโลกเราเป็นโลกสัมผัสแต่เราผู้ไร ก, ก็เจอตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกยลิ่นรสผุทผ้าธรรมรมก็ท่านั้นเองแต่ปัญหาสำคัญว่าเวลาเราสัมผั ส, ผสอารมณ์เนี่ยไม่จาเป็นว่าต้องเกิดกิเลสอาจจะเกิดกุศลธรรมต่างๆเป็นนั้นมากก็ได้เกิดปิติปราโมทก็ได้ก็แล้วแต่แต่ในกรณีนี้ไปพูดไวในข้ออื่น ในที่นี้ทรงสอนให้ดูสังโยชน์แต่และข้อที่เกิดขึ้นเวลาสัมผัสกับอารมณ์แต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้ากล่าวโดยกระบวนการทางจิตตามโครงสร้างของปฏิจริยาการคือปฏิจจสมบาทมันก็มีอายตนะแล้วก็ ยตนาภายในภายนอกกระทบกันก็กลายเป็นบิญญาณ3อย่างนี้รวมกันก็เป็นสัมผัสแล้วก็จากนั้นก็เจอสู่เวทนาคือจิตทำหน้าที่สวยอารมณ์ถ้าชอบใจก็เกิดสุกเวทนาถ้าไม่ชอบใจก็เกิดทุกเวทนาพวกนี้ถ้าขาดหลักของโยนิสโสบณนสิการมันก็นำไปสู่กิเลสได้ทั้งหมด ทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมอนนำไปสู่กิเลสได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าเรามีหลักธรรมะอยู่ภายในใจอารมณ์มันก็ไม่มีความสำคัญอะไรหรือคำถามสุดท้ายอยู่ที่ว่าคุณคิดยังไงล่ะเราเย็นซากศพเราคิดได้เป็นครูก็ได้ เห็นเศษกระดูกสักชิ้นก็คิดได้เป็นครูก็ได้หรือว่าธรรมะนี่มันมันมีรอบตัวมันขึ้นอยู่กับการมองโดยพื้นฐานจิตยังไงอย่างกรณีบางครั้งบางคราวเนี่เราพบข่าวพฤติกรรมของพระบางรูปที่ท่านทำอะไรก็แว ק, แวกแนวไปเยอะก็ต่อเนื่องยาวนาน ไอ้ถามว่าจิตเราคิดยังไงล้วก็มีแต่สงสารเสียดายแล้วก็สลดพอมานอกวิสัยที่เราจะพูดจาอะไราได้<ๆ>ก็ทำใจได้อยางงั้นเท่านั้นรือสลดใจแล้วก็สงสารแล้วก็เสียดายก็หมายความว่า สงสารนี่ก็เป็นการุณาแต่สลดนี่ก็ค้นข้างจะเป็นธรรมะสังเวทหน่อยนะทีนี้ในกรณีเนี้ยทรงเน้นไปที่การเกิดสังโยชน์วันกรอได้ยกตัวอย่างสักกายทิชิคือตามปกติแล้วกิเลสตัวนี้เราจะเจอบ่อยวันในวันนี้ก็คงจะพูดโดยสรุปทั้งหมดนะฮะ พอจะเอาไปทีละข้อทีละข้อก็กินมีลาเยอะแต่อย่างที่บอกว่าลำดับสังโยชน์ไม่ได้เกิดตามที่พูดนะแต่ว่าการพูดจะพูดไปตามลำดับที่ทรงเรียบเรียงไว้ในภา ษ, ภ า, ษาบาลีตามกลุ่มของกิเลส ก่มของสังโยชน์ที่พระรญาบุคคลละได้มาตามลํๆๆาดับตรงนี้เลยกลายเป็นมารตรวัดอย่างหนึ่ว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องไม่มีอย่างนี้ถ้าคุณมีอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีสักกายทิฏ ฐ, ฐิอยู่เนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าคุณเป็นประโสดาบันคุณต้องไม่มีสักกายทิฏฐิเห็นไหมพอตรงนี้เอาเป็นมาดไปจับ คนที่คุยคุยกันสอบตกเป็นแถวเลยนะฮะเพราะมันแสดงอาหังการ์ ม, มังการบางครั้งก็ก้าวร้าวรุนแรงแล้วคนก็ไปแสดงความชื่นชมก็กำมุงนาวัตติโลโกไปนะฮะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมไปแต่สัยญาข้อที่สองนี่คือ วิจิกริษาเป็นความเครือบแคลงสงสัยเราเจอมาแล้วในนิวรณ์แต่ว่าในนิวรณ์เนี่ยเขาไม่หยาบแไม่ใช่เขาไม่เขาเขาหยาบกันนี้วิจิติจาระดับสังโยชน์มันก็คือกันนหละแต่ไม่ได้หยาบไม่เกิดเครื่องกลุ่มใจแต่อย่างที่บอกว่ากิเลสเราเนี้ยพอพอแกเกิดขึ้นเวลาสัมผัสอารมณ์ที่จริงแกก็มีสถานภาพแก่ก็เป็นนิวรณ์ไป ก็ความเครือบแครงสงสัยไม่แน่ใจเป็นอาการของโมหะเพราะอะเพราะเราขาดหลักการคิดก็เรียกว่าขาดหลักของโยนิโสมนตติกาลผลการมองก็สงสสงสอนให้มองดูในแต่ละขณะวะเลเวลาตาสัมผัสกับรูปเป็นต้นเนี่ยมีสังโยะคนดคนหนึ่งเกิดขึ้นติต่างว่าตรงนี้ต้องถือว่าตีต่างว่านะวิจิกิสานิวรเกิด เราก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าในขณะเนี้วิจิกิจฐาสังโยชน์มันเกิดขึ้นไปในจิตของเรามันก็ศึกษาสืบสาวว่าวิจิกิจฐาที่ยังไม่เกิดเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็จะเข้าใจว่าวิจิกิจฐ์คือเราไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นจากการขาดระบบการคิดที่มีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิด เขาเรียกว่าขาดหลักของโยนิโสมนัสิกาอย่างบ้านเราบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะมันก็กลายเป็นเรื่องคือถ้าไม่เราเห็นว่าสังคมเราในขาดการเรียนรู้เยอะคือเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่น่าจะให้เป็นเรื่องแต่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาบ้านเมืองเวลานี้นะปัญหาสามในกว่าภาคใต้มันก็หนักนะหนาสาหัสาการอยู่แล้วนะฮะ ไม่น่าจะจุดชนวนการทะเลาะวิวาทบาด ท, ทะลุกันไปแบ่งฝ่ายรบกันเองวุ่นวายไปหมดเลยนึนแสดงให้เห็นถึงแต่และคนเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่พยายามหาคำตอบว่าทำอะไ่ทำอะไรมันได้ประโยชน์อะไรเราก็หาคำตอบไม่ได้ ในส่วก็เกิดรักเกิดชังเกิดรักเกิดชังเกิดรักเกิดชังเกิดแบ่งฝ่ยเกิดด่าทอเกิดวิพากวิจารณและํามไปถามมาไม่รู้ก็มีคนมาคุยถึงกุติบ่อยคือบางทีนี่ก็น่าสงสารท่านอ่ะคือพูดโดยไม่รู้อะไรเลยคือแต่ละเรื่องนี่จริงๆมันไม่ใช่ง่ายเพราะไในระบบอยนิสงบราชการเนี่ยคือเราต้องมี การคิดที่มีกฎเกณฑ์มีระบบในการคิดมีหลักการในการคิดความสงสัยมันยังอยู่ที่พระตัณฑไรอยู่ที่สจติขาโดยเฉ่าอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโคตรสงสัยเยอะสงสัยแม่แต่ความมีอยู่ดอยวาเมื่อก่อนดูข่าวก็รู้สึกสภากางสาขาทุลิก์ดูจะเป็นท่านท่านยอด เอ่อพิมพิสานะ่นนะฮะให้รางวัลสารคดีดีเด่นคือตามรอยพระพุทธเจ้ากับกบนอกกลาอย่างเออริงจริ ง, รงองค์กรพุทธมันน่าจะให้ก่อนนะฮะองค์กรพิษเขาก็แสดงความชื่นชมเพราะดีมากจริงๆไงนะฮะดีมากจริงๆขนามาเคยไปอยู่อินเดียมานะี่ยยังต้อง ดูทาต่างรายการแล้วก็ให้เด็กหามาดูอีกเราเจอเรื่องที่เรายังไม่รู้เยอะเฟ้นวิจิกิจฉามันก็เกิดขึ้นมาในพระพุทธเจ้าสมหรับชาวพุทธเรานีชัดเจนในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจศีขานใจศีขานนี่แม่เรื่องศีลเรื่องเดียวเราก็สงสัยแล้วนะ รักษาดีไม่รักษาดีไม่ต้องพูดไปไกลแล้วพอเจอสีศห้าก็ยุ่งแล้วเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผลของศีลผลของทานแล้วก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะสูญเสียโอกาสถ้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมะอย่างนั้น นั้นเราจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วเราจะสงสัยมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์คือจากการสังเกตเวลาไปบรรยายอบรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เด็กไม่ค่อยถามนะก็ไปเป็นเรื่องที่แปลกเด็กนี่ไม่ค่อยมีคําถามโจมตีพระแต่ถ้าครูแล้วเยี่ยมเลยนะฮะครูแล้วก็มาเป็นแถวมาเลยคําถามที่ด่าพระนี่มาเป็นแถวเลยแต่ทุกวันเปลี่ยนไปนะ เ, เมื่อประมาณสักยี่สิกว่าปีมาแล้วเนี่ยามาเป็นวิทยากรบรรยายอบรมก็เรียกว่าเกือบทั่วประเทศแต่ไม่ทุกจังหวัดนะฮะมันเป็นเขตการศึกษาก็าลงก็เป็นเขตๆก็เจอว่าปัญหาด่าครูก็ไม่ใช่ด่าพระกับตำหมดนี่จะเยอะมาก นั้นก็แสดงให้เห็นว่าก็สงสัยในความเป็นพระสงฆ์แล้วก็ผลท้ายเลยไม่รู้จักว่าพระคือใครพระคืออะไรจากนั้นเราจะสงสัยในอนดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตแล้วกฎของประจัยการเรื่องใหญ่ทั้งหมดเลยนะคือเรื่องเรื่องนี้ถ้าเราพูดกันแล้วก็ยาวเยียดเลยพราะกฎประจัยการเนี่ยที่จริงเป็นกฎอริยสัจกฎเดียวกันอริยสัจนั้นเป็นรายละเอียด ถท่านฟังได้อ่านพุตธรวัติตอนพระเจ้าประทับอยู่ที่ปายใต้ต้นพระศีมาโพนี่พระเจ้าสรุบริยรสัจฺสีแต่ตอนทรงพิจารณานี่ไม่ได้พิจารณาที่อริยสัจสี่พิจารณาที่ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดสายดับทที่จริงสายเกิดก็คือทุกขัสสะกับสมุทยัยสัจสายดับก็คือมรรคสัจกับนิโรธสัจ แต่มันก็มองเห็นเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต่อกันไปเป็นเป็นตอนไปตอนไปนะเป็นวงเป็นวงไปเรื่อยๆแล่ใครก็ลูกโซ่มันก็เทือนถึงกันหมดเพราะนั้นตอนพิจารณาถึงธรรมะที่จะทรงประกาศแก่โลกกับอุปนิสัยของสัตว์ตอนที่ประทับภายใต้ต้นจิกจะไม่ใช่ต้นต้นไสรเชื่อจารนิโครธ สัปดาห์ที่8ปดก็ทรงพิจารณาที่ปฏิจจสมบัติยังธรรมโมธรรมนิ้กรมพีโรลึกซึ้งดุดาโสรู้รูได้ยากรูดานโบโทรู้ตามได้ยากสันโตสงบปณิโตประณีตอัตามวัจเจโรไม่สามารถจะนึกดอได้ปณิตะเวดนิโยบัณฑิตเท่านั้นเองที่จะสามารถรู้และก็เข้าใจได้เพราะเราจะเห็นว่า ถ้าคนเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่สงสัยเขาจะไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าเพราะยิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนี่ยมันพิสูจน์ได้มันพิสูจน์ถึงความดีความมีอยู่และความดีของศาสนาแต่นั่นแน่นอนเกณฑ์ดีมันก็ขึ้นอยู่กับลางเนื้อชอบลางยาแต่ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าศาสนาเหล่านี้มีที่ไปที่มา ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาชลามพรามสิกินดูอะไรอะไรทั้งหมดแหะมันก็ต้องมีที่มาของเขาแต่คนก็ยังเครือบแค่งสงสัยยังตั้งแงมุมยังตั้งข้อข้องใจบางทีในเรารสับสนในประเด็นน่ะสับสนในประเด็นต่างๆแล้วก็ในที่สุดมันก็หยุดตัวเอง วิจิการิาเนี่ยเหมือนจะทางสองแพร่งไงลองสังเกตว่าทางสองแพร่งหรือกินได้ไม่ได้ทําได้ไม่ได้ถูกหรือผิดอย่างนี้หยุดทางนั้นนะมันก่อให้เกิดอาการชงักงันเพราะนันพวกปฏิจจสมบัทก็คืออริยสัจสี่ทีนี้ตัวพระธรรมเนี่ยสรุปแล้วคือปฏิจจสมบัติหรืออริยสัจสี่พระสงฆ์ก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมบัติไม่ใช่พระ ใจติขาเนี่ยอติขาเป็นปฏิจจสมบัติสายของมรรคคือเน้นที่ตัวมรรคใติขาจริงก็คือเรียมรรคบางความเคลือบแครงสงสัยไม่แน่ใจในสังคมพุทธนี่มันมีอยู่เยอะ ก็กลายเป็นเครื่องมือหาเงินของคนเป็นอันมากนะ ด, ดีอนาคตอย่างหมอดูอย่างเงี้ยหมอดูเนี่ยเป็นสามารถเช่าสถานีโทรทัศน์ออกรายการได้เป็นชุดชั่วโมงนะสปอนเซอร์เพียบเล ย, ยเนยกว่าศาสนานี่ทําได้ไหมศาสนาออกสนทนาธรรมบรรยายธรรมตอบปัญหากับชาวบ้านทางโทรทัศน์เนี่ยถ้าทําคงทําได้แหละแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์ อันนี้ก็คือคือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าคนยังให้ความสำคัญต่อตัววิจิกิจชาแต่สงสัยแบบไพึ่งพาพึ่งพาหมอดูแม้แต่การพูดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงมันก็แสดงความสงสัยแล้วแสดงถึงความไม่เชื่อ ในี้วิจิการิาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยการหลักขาดหลักของเขาเรียกว่าโยในโสบัติการมันเป็นอโยในโสบัญญัติการคือมองสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เฉียดผลไม่ใช่สติปัญญาที่จริงความเ ค, ครีแกร่งสงสัยในเราแก้ด้วยศรัทธาก็ได้ในแก้ด้วยปัญญาก็ได้แต่เราแก้ด้วยศรัทธาคล้ายๆกับเราไปหาหมอเนี่ยเราไปด้วยศรัทธา ดเดลีมันมันมีปัญญาเกิดขึ้นเรารู้ว่เขาเป็นหมอแต่หมออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไปตรวจโรคหมอเขาตุบอกเขาก็สั่งยาเราก็เชื่อถาไม่เชื่ออะไรเราก็ไม่รู้จักแต่เรารู้ก็เป็นหมอเห็นไหมมันมีทั้งปัญญาทั้งศรัทธาแต่ศรัทธานี่จะนําเพราะเราจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ายานั้นมันจะห า, หายหรือไม่หาย แล้วก็ที่หมอสวดจริงหรือไม่จริงนี่เราไม่รู้เลยเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อเรารับประทานยาเข้าไปแล้วมันเกิดหายก็ทําให้เราเชื่อในยาธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติแล้วเราจะเชื่อในพระธรรมถ้าไม่ปฏิบัติจนสัมผัสผลนี่จะยากจะยากที่จะเชื่อมั่นในพระธรรม ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะราาได้ยัยงไงก็คือใช้ระบบการคิดที่เป็นอยู่ในสมนัสิการคิดโดยบายวิธีที่แยกขายมีเหตุมีผลโยงเหตุหาผลโงผลหาเหตุคือสิ่งทั้งหลายตามปกติมันคล้ายๆเราดูต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่มีลูกเนี่ยมันปรากฏทั้งเหตุทั้งผลหรืแม่ไก่มีลูกเยบเกี๊ยบร้องตามอย่างนี้เราเห็นทั้งเหตุทั้งผล ถามว่าแม่ไก่กับลูกไก่อะไรเกิดก่อนเนี่ยตอบได้แต่ถ้าหากว่าเราไปถามว่าโดยเราไม่มีไก่ไปชไี้ไม่ได้ชี้ที่ไก่นะาถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนเนี่ยเราต้องจับเป็นคู่ต้องจับเป็นคู่ว่าไอ้ไข่เนี่ยที่จริงมันมาจากไก่มาจากแม่ไก่ แต่ไข่เนี่ยต่อไปมันจะเป็นลูกไก่มันจะฟักเป็นลูกไก่เพราะฉะนั้นจะพูดกู่ไหนล่ะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเหตุกับผลก็ปรากฏร่วมกันอยู่หเห็นต้นไม้เห็นทั้งต้นไม้เห็นทั้งผลไม้ก็แสดงเหตุกับผลมันปรากฏอยู่ก็รู้ได้นะฮะว่าต้ไม้เนี่ยผลไม้เนี่ยมาจากต้นไม้นี้นาาตนนแต่ปัญหาขต้นไม้นี้มาจากไหนบางทีเราก็ไม่รู้อีกอะ ทีนี้บางทีเนี่ยเราไปเจอผลไม้ที่ตลาดมันไม่มีต้นเรารู้วมมาจากว่าผลมะม่วงก็มาจากต้นมะม่วงต่ต้นมะม่วงไหนเนี่ยเราไม่รู้ทีบางทีเราปลูกมะพราะ้าวมันก็ปรากฏที่เหตุแต่ว่าผลยังไม่ปรากฏผรก็ต้องรออีกนั่นก็แสดงว่าเชื่อมโยงระ ว, วังเหตุกับผลเนี่ยก็เชื่อมโยงให้ได้ แล้วกดตรงนี้สูดตรงนี้เราก็สามารถจะคิดอะไรต่อๆไปได้อีกเยอะนะข้อต่อไปท่านเรียกว่าสิไม่ใช่คือว่าการละขาดสังโยชน์ที่ละแล้วเนี่ยที่จริงมันมีอยู่อีกช่วงหนึ่งนะฮะตรววิจิกิิฉานี่ไปส ง, งบด้วยวิจารในองค์ฌานตามที่พูดมาแล้วในนิวร์แต่ก็ละยังไม่ได้ล่ะก็ส ง, งบเฉย แระการต่อไปวิจิกิษาที่เกิดขึ้นแ ล, ล้วละให้ขาดโดยประการใดรู้โดยประการนั้นด้วยทรงนี้ต้องโสดาปฏิมากแล้วคือระยะไม่ยา่คือสามัญชนทั่วไปละไม่ได้ับละความสงสัยไม่ได้ก็มีเป็นอันมากที่เราพูดไปตามที่เราฟังมา ถามว่าเราได้สัมผัสไหมเราก็ไม่ได้สัมผัสเพราะงั้นเวลาพระทันเทศเนี่ยท่านก็ออกตัวก่อนเนี่ยนะบทนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาพันานาสาสรธรรมคําสั่งสอนของพระพระภาคเจ้าเราก็อ้างพระพุทธเจ้าไปได้เลยคือเราไม่ได้รู้เองเราไม่ได้สัมผัสเองแต่บางอย่างเราก็สัมผัส แต่ก็ไม่ต้องบอกนะฮะถ้าสัมผัสเองเนี่ยไม่ต้องบอกก็พูดได้กลืนไปเลยคือให้คนไปสนใจอยู่ที่พระธรรมกับพระพุทธพระสงค์นะั่นก็ถือว่าสนองงานพระรัตนตรัยก็แล้วกันคืออย่าไปคิดใหญ่คิดโตอย่าไปคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถือว่าเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยก็บุญแล้วนะพระไร ส, สังโยชนี้นน่คนจะรได้ก็คือพระโสดบัน พระโสดาบันท่านจะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรยัยเขาขู่จะฆ่าเนี่ยท่านก็ไม่กลัวเขาล่อโดยทรัพย์สินมหาศาลเพื่อท่านไปเสดพระรัตนตรยัยเนี่ยท่านก็ไม่เอาล่อโดยตําแหน่งจกักรพรรดิก็ไม่เอานะพวกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจากักรพรรดินี่มันมีโอกาสตกนรกได้อนะแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่ตกนรกนะ เพราะนั่นเป็นศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยก็ทั้ง8เรื่องเนี่ยท่านก็เกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแน่นอบางอย่างท่านเข้าถึงได้ไม่หมดหรอกเป็นปฏิจจสมบาทเนี่ยท่านก็เข้าถึงได้ไม่หมดเพราะว่าปฏิจจสมบาตตัวรากใหญ่มันมาจากกะวิชา วิชาขั้นพื้นฐานเกิดแต่ก็ไม่ได้มีพลังมากมายขณะไปขจัดวิชาได้แต่มกขจัดได้ระดับหนึ่งระดับศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็ <c oughs> ต่อไปคือศีลปัตตพ ร, ราหมัดเป็นการถือมั่นด้วยความปักใจฝังใจเชื่อมั่นลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้อง ตน้นใจคำบาลีว่าอิดัไม่ประศักจังโมฆะมันอ ย, อย่างอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องไอ้นี่เราเสียเวลาเจียงกันอยู่เยอะในสังคมพุทธนี่เยอะมากนะคะเกือมามองมานานว่าสังคมพุทธที่จริงเป็นสังคมอ่ อ, อนแอนะคือเราไม่เข้าถึงสารธะธรรของพระพุทธศาสนามากพอที่จะพเนกกําลังร่วมกัน ไม่ต้องอะไระแม้แต่การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มาเป็นผู้ประสานงานมายี่สิบกว่าปีเนี่ยภาคสนามจริงๆมาไม่ยุ่งเลยคือเราเป็นคนประสานงานเฉยๆพอถึงจุดหนึ่งก็ต่างคนต่างทำ ต, ต่างคนต่างอยู่เราไปควบคุมกำกับอะไรเขาไม่ได้อรก็มีผู้ใหญ่ก็ติงมาเรื่อย บอกว่า น, นี่คือการสูญส่งเสริมพระพุทธศาสนานะถ้าเขาเป็นพุทธเราก็เราก็ต้องส่งเสริมเราสนับสนุนเท่าที่เราสนับสนุนได้แต่เราไปกำกับควบคุมกาหนดทิศทางอะไรเขาไม่ได้เราแล้วก็เป็นปนัญหาที่วิาพากษ์วิจารณ์อยู่ทุกปีคือมัน <é. S 1> ถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคิดในทางเอาตัวเองรอดเนี่ยมันจะเยอะอยู่ เพราะเราสร้างเอกภาพได้ยากแม้แต่จะพูดว่าเป็นศูนย์พุดโลกที่อยู่ในประเทศไทยก็ว่าไปอย่างนี้นอย่งนีก็จริงที่นิมนต์มาเราต้องจ่ายค่าผานะต้องบริการทั้งหมดนะฮะเกิด ค, ความคิดที่จะจ่ายเองบริการตัวเองมาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยมันยังไม่ถึงได้ขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาอีกนาน มันจึงจึงกลายเป็นปัญหาที่น่าห่วงเพราะบางคนดังมาเชื่อมั่นในหลักการของตัวเองคือบางทีมันเป็นเรื่องความถูกใจคืออย่าอย่าไปติดใจว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องมันไม่ใช่หรอกคือปัญหาสําคัญแต่อย่างที่บอกไว้ในว่าสำคัญที่สุดก็คือกิเลสมันลดธรรมะมันเพิ่มมันันคือสูต คุณปฏิบัติยังไงก็ตามถ้ากิเลสมันลดธรรมะมันเพิ่มก็ถือว่าใช้ได้แต่ใช้ได้ระดับไหนล่ะมันก็ว่ากันไปเรื่อยระดับสีระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาก็ว่ากันไปแต่ว่าแนวของสีลประตับรามาธิเนี่ยบางครั้งแม่แต่เนี่ยแม้แต่ว่าพุทโธเท่านั้นหยุบหนอพองหนอเท่านั้นสัมมาหังเท่านั้น หรืใช้วิธียกแขนดูแขนการเกิดดับดูอิรา บ, บทยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอะไรต่อที่จริงมันถูกตรงนั้นแหละคือประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นว่าคุณทําแล้วจิตมันสงบจากนิวรณ์หรือไม่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเราเสร็จแล้วเราก็มาเฉียงในรูปแบบใช่ไหมรูปแบบมันเป็นถนนคุณไปถึงก็แล้วกันคุณไปาทางถนนสายไหนก็ได้ก็ไม่ได้่ากัน นี่และคือสีลปาตระตรามาเพ ร, ราะศีลปาตระมาสมันเกิดขึ้นด้วยใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นขาดระบบการคิดเหมือนกันข า, ขาดระบบการคิดการพิจารณาการเทียบเคียงซึ่งยุคสมัยตรงนี้ที่จริงมันก็น่าจะใช้ปัญญาอะไรเยอะนะแต่ก็จริงเราจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เองก็กระด้าง ลองไปพูดเรื่องเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏกับนักวิทยาศาสตร์ดูสิไม่เชื่อหรอกเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรแต่ไหนก็ไม่เชื่อหรอกทาัทางที่ตัวเองไม่ได้ศึกษานะแต่ก็ไม่เชื่ออันนั้นก็ที่จริงมันเป็นลักษณะของศีละปัตตรมากอย่างประการหนึ่งแต่ยึดมั่นถือมั่นว่าวิทยาศาสตร์ถูกต้องที่ยริวิทยาศาสตร์เป็นเด็กกำลังเดินทางไกลกำลังเดินเดินอีกเยอะเลยต้อง ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเราเห็นว่าแต่ละสายในบางทีหกเดือนไม่เปลี่ยนแล้วก็แสดงว่าจะไม่มีอะไรยุติแต่ธรรมะนี่มันยุติแล้วอ่ะมันเกิดด้วยสัพพัญญญามนยุติหมดแล้วเวลาในการจะสงกเขาได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาเยอะใช้ปัญญาเยอะทีนี้การละขาดอ่ะละขาดก็อีกละก็พระโสดาบานันอีก ได้ตกลงว่าสังโยชน์สามข้อเนี่ยประสดาบันไป็นคนละได้เราได้ขาดนะฮะแต่ถ้าบรรเทาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันแนวสีรับประรามาตเนี่ยเป็นแนวที่ถูกค้อมล้อมนะฮะมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการหากินกัน คือถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ไม่ไปดวจแต่งนี้ก็ไม่ใช่พวกเราก็กลายเป็นพวกเราพวกเขาสังคมพูดที่มีความเป็นเราเป็นเขาเยอะเราพูดในศาสนาอื่นมาทะเลาะ ก, กันเยอะเลยพูดทั้งสั้งกมพูดก็เหมือนเด็กนัก็พูดเอาไม่ก็อยอยู่มันจะมีความขัดแยง้งอยู่เยอะอยู่สูงก็พูดเรื่องอื่นพอไปกันได้นะ่ะพอพูดเรื่องธรรมะแล้วจะมีความขัดแยง้ง แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าได้คัดค้านได้เฉียงเนี่ยมันจะเก่งคือบางทีแม้แต่เฉียงเฉียงแม้แต่พระพุทธภัสสิทธ์นะคือเขาเวลาเขาพูดเนี่ยเขาไม่อ้างเขาก็ไม่ใช้บาลีเขาก็พูดไปแต่จริงเขาก็เอามาจากพระบาลีใจบิดดกอ่าโคตรบางพวกก็ไปคัดค้านละ เราไปตื่นเต้นกับ ก, การระลึกชาติได้ของฝรั่งโดยวิธีสะกดจิตตื่นเต้น เ, เชื่อเอ๊ะพอฝรั่งพูดเชื่อไงพระเจ้าพูดไม่เชื่อของเราในสาดกนี่เรียนมานานแล้วนะฮะระลึกชาติได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเป็นการแสดงถึงกรรมแล้วก็ผลของกรรมกิเลสกรรมวิบากเราเห็นได้ชัดเจนเลย ใ้ชาดกทั้งหลายในเปตวัตถุวริมาณวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาพุทธวงศจริยาบิดดกหมดฮะทั้งหมดอ่ะสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องของกรรมกับเรื่องสังสารวราบัดเราก็า ไ, ได้ยินได้ฟังได้อ่านแต่เขาไม่เชื่อเออฝรังว่าเชื่อแปลกก็น่าดูดีเมื่อเกิน ทีนี้สังโยชน์ข้อต่อไปคือข้อต่อไปไม่ใช่เกิดขึ้นข้อต่อไปนะฮะคือหมายความเกิดนี่เราก็ไม่รู้หรอกอะไรเกิดก่อนเกิดหลังข้อต่อไปนั้นท่านไม่ได้เรียกว่ากามฉันแต่ท่านเรียกว่ากามราคะความกำหนัดในสิ่งที่ตัวใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่สิ่งที่จิตตั้งใคร่เดยอํานาจของความใคร่ก็คือแนวกามฉันนั่นแหละ เราเห็นว่าราคาส่วนใหญ่นี่จะใช้เป็นตัวแทนกิเลสแต่กามะนี่ยไม่แน่กามะนี่บางทีใช้ธรรมะจะนวธรรมะกามโมระวังโหติผู้ไข่ธรรมเป็นผู้เจริญแต่ถ้าราคาเนี่ก็ยังไม่เจอนะนอกจากวีตราคะแต่วีตราคะเนี่ก็ใช้เปรยปราศจากราคะคือหมดราคะก็หมายถึงพระอรหันต อย่างน้อยก็พระอนาคามีนะครับทีนี้ก่เลยประเภทนี้ถามว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้ามันปรากฏมันก็เกิดขึ้นมาจากเราไปกำหนดอารมณ์กำหนดยังไงก็ก็เหมือนเดิมนะะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสรอยสัมผัส น, น่าจะต้องอารมณ์เนี้ยมันมันนาคิดคิดระเพรินสนุกสนานทีนี้ เกิดแล้วนี่จะล่าได้ยังไงมันก็ต้องพยายามใช้มองในแนวไม่สวยงามแต่ไม่ใช่ยุตินะฮะคือไม่ใช่ยุติแต่ว่าหลักทั่วไปนี่จะใช่อย่างนี้เพราะในแง่ของความเป็นจริงอย่างว่าภิกษุรูปหนึ่งเป็นสหายของพระสารีบุตรเป็นบุตรในช่างทองเป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นลูกศิษย์แต่อันดีเนี่ยเขาเป็นหายกัน ภาษาได้บทไปคิดเหรอเด็กหนุ่มเนี่ยมันมันต้องมีความกำหนัดต้องการในทางเพศก็สอนเรื่องกายกตาสติเลยสอนนสุภากรรมฐานให้พิจารณาผมขนเลือฟันหนังเนือเ อ, เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน่ว่าไปใจท่านไม่ยับไม่รับเลยเนะฮะใจไม่เอาเลยความรู้สึกต่อต้านฟุ้งซ่านไม่สงบเอาอยัางไงไม่อยู่จิตไม่เดินเลย เอามาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตัวดูปณิสัยทรงนิรมิตเป็นดอกบัวทองคำเป็นงานวิจิตรมากสวยงามมากพริ้วไหวเลยแล้วก็รับสั่งให้ให้วางดอกบัวข้างหน้าก็แนวกสินนี่นะแนวกสินตือตั้งสติแล้วก็ตาก็เพ่งโดมพอจิตมันนิ่งอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ พุทธจา ก, ก็ยกขึ้นสู่วิปัสนานเลยคือทำให้ดอกบัวมันเริ่มเขียวถูกบรรดานในพุทธานุภาพไปเฉียวกรีบก็ร่วงโรยลงไปความสวยงามมันก็ใกล้าหายไปเรื่อยๆท่านก็น้อมกลับมาหาตัวเลยไปเลยบรรลุมรคนเป็นพ ร, นพร ะ, ะนันข้อความต่างๆเนี่ยที่จริงท่านพูดไว้กว้างๆมันไม่ใช่ต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันไม่จริงอ่ะ ตัวอย่างบุคคลทั้งหลายเนี่ชัดเจนมากคือตัวอย่างที่พระอรหรบบันต์านบรรลุ ก, กันเน่ยบางทีจิตใจท่านก็ไปอย่างหนึ่งหลงไหลติดใจในรูปร่างกายต่างๆฉะนัะ้นเว่ากะลินี่ก็ติดในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าแต่ตอนบรรลุเนี่ยบรรลุโดยพุท ธ, ธานุสติคือจิตมันน้อมลงในศรัทธาพระเจ้ารับสั่ง วะกริตรง้อยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อเห็นเราเราตถาคตคือธรรมะแต่ตัวนี้มีหนังสือสมัยมาเป็นเนเนี่ยหนังสือออกไปจากวัดปกักนาครับตัวนี้แปลว่าเราตถาคตคือธรรมกายไม่มีฮะบาลีไปในไ้ว่าอย่างเงี้อยอา่ารไปใส่กันไปเเพรา ะ, ะนั้นธรรมะคือพระพุทธเจา้า แต่ว่าธรรมกายเนี่ยคือกลุ่มของธรรมบางทีหมายโดยโดยทั่วไปหมายถึงอริยสัจนะหรือว่าหมายถึงตัวภาสัพันยุตยานแต่สรุปว่าหมายถึงสิ่งที่เป็นนา ม, มาธรรมก็ไม่ใช่ตัวรูกประธรรมนะะหมายถึงสิ่งไปเป็นเป็นนา ม, มาธรรมแต่เราก็เรียนไปเรียนกันมาก็ปรากฏว่ามีอายตน า, นานิพ่านมีแดนนิพพานชอบอย่างนั้นก็นิมนเถกก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่มันเป็นพบเป็นชาติเน่ยมันจะเรียกนิพานมันก็ไม่ได้มันขัดแย้งกันคือเรียกคําใหม่จะก็ดีดอกจะเรียกว่านิพานมันก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าคําเหล่านี้มันมีความชัดเจนสุนิยามมาชัดเจนแต่ถ้าเรามองไปรอบๆตัวมันก็ก็ไปเห็นเหมือนกันนะี่ยนะเดี๋ยวบางทีไฟดับอะไรดับเนี่ยก็ถือว่านิพานได้เหมือนกันมันเป็นภาษาชาวบ้าน แต่พอใช้ในความหมายของผลจากการปฏิบัติพอพูดนิพพานมันก็ต้องหมายถึงนิพพานจริงอย่างน้อยก็เป็นตทาทังกันนิพพานคือดับกิเลสด้วยอารมณนน์นั้นๆในขณะนั้นๆเนี่ยปัญ伽มราคะเวลาจะสงบได้เนี่ยอย่างหนึ่งมันสงบด้วยตัวสมาธินะฮะถ้าระดับสมาธิก็สงบได้ด้วยตัวเอกขัตตาือตัวสมาธิแต่สงบ ไม่จะดับถ้าจะดับได้จริงๆก็ต้องนนนแหละเป็นพระอนาคามีแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วกิเลสที่ใหญ่มากนะฮะคนที่ตัดได้ขาดเนี่ยเป็นพระอนาคามีแต่ว่าถ้าลองสังเกตดูให้ดีมันเป็นเรื่องเพศคือปันเน้นไปที่เรื่องเพศหมายความพระอนาคามีนั้นจะไม่เกี่ยวข้องในทางเพศ แต่เช่นว่าจิตมันประณีตขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม้จ่คิดในเรื่องในเรื่องเพศหรือคิดในว่าความต้องการทางเพศมันก็ไม่มีไม่มีเชือ้อคือดับโดยไม่มีเชือ้อระดับพระนาคามีในที่จริงก็ตั้งแต่พระราหันไม่ใช่ตั้งแต่พระโสดาบันมาแล้วนะคือหมายความว่าท่านจะไม่มีกิเลสประเภทที่เป็นเหตุให้ตกกระบายกิเลสไม่หมดหรอกแต่ว่ามันกิเลสละเอียด จะเห็นว่าอย่างอย่างวัสดุระบาเนี่ยเขาเรียกว่าจะตูปาเยหิจวิปปมุตโตมันพ้นจากอบายทั้งสี่แล้วก็ไม่ทําบาปกรรมที่เป็นเหตุให้ตกอบายเพราะเราจะเห็นว่าสีหามันจึงมาโดยอัตโนมัติสมบูรณ์เ น, นี่ยตรงมาเพราะสีหน้านั้นเป็นเหตุแห่งอบายแต่ละข้อเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเป็นเหตุแห่งอบายได้แกนโดยเฉพาะนี่ง่คือสี่ข้อแรก ทีนี้พอ ม, มาถึงนิยโอะพอมาถึงสังโยชน์เนี่ยตัวตัวโทสะเนี่ยไม่ได้เรียกว่าโทสะเราเห็นว่ามันเริ่มโทสะมันจากอารติคือความไม่ยินดีความไม่ยินดีไม่ชอบแอ้เราสังเกตแนววิปวัตั์หาเนี่ยมันก็แนวของของความไม่ยินดีอะแต่ ม, มันแรงกวามม่าไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นถ้าใคร ซาสีให้ได้ใ ห, ให้เมียเป็นเราจะเกิดโทกสะได้ง่ายเพราะว่าที่จริงมันมีลักษณะอาการของโทษสะอยู่เพราะงั้นตรงนี้ท่านเรียกว่าปฏิฆามันไม่ถึงกับโกรธแต่ว่ารู้สึกรำคาญหงุดหงิดไม่พอใจไม่ยินดีที่จะนั่งที่จะฟังที่จะอยู่ที่จะไปอะไรต่ี่ยแต่ไม่ถึงกับโกรธ คนที่ทาอย่างนั้นไมถึงขนาดนั้นแต่ว่าในใจเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจไม่พอใจที่จะอยู่ตรงนั้นที่จะฟังสิ่งนั้นที่จะเห็นสิ่งนั้นอะไต่างนี่ซึ่งก็ก็คือยินร้ายอเองไงยินร้ายแต่มันอยู่ภายในจิตอพอขึ้นมาข้างบนมันก็กลายเป็นพยาบาท หรือว่าไม่ไป ไ, ไม่ถึงพยาบาทท่านผู้ฟังคงนึกออกนะตัวอุทัจจโกกุจจะเนี่ยตัวกกกุจจะเนี่ยกกกุจจะมันเป็นโทสะมันก็แนวขนาดเนี้ยแนวขนาดปฏิฆาเนี่ยเข้มเขมเขม้เขมไม่มากโกกุจจะแปลว่ารําคาญหงุดหงิดปฏิฆาก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่อย่าลมืมว่าชื่อเหล่านี้เป็นชื่อสมมุติเป็นการสมมุติบัญญัติเรียกโดยพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้เขาเชื่ออย่างนั้นหรอก ตั้งชื่อเราปฏิฆาทีนี้ปฏิฆาเนี่ยตอนที่มันไม่เกิดยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดมาจากการไม่ชอบไม่ไม่ต้องการดูไม่ต้องการฟังไม่ต้องการดมไม่ต้องการลิ้มไม่ต้องการชิมไม่ต้องการจับต้องจําเป็นต้องดูต้องฟังต้องดมต้องลิ้มต้องชิมต้องจับต้องรู้สึกรำคาญ แต่ไม่ถึงก็เอะโวยวายอะไรนะเช่นสมมติว่าก็จัดอาหารให้อะไม่ถูกปากแ้วก็กินไปได้มันไม่ถึงก็โทสะไม่ถึงก็โกหกบางทีก็กวาดอาหารทิ้งอันนีแ้แรงเกิดไปเป็่งกิเลสประเภทล้นออกข้างนอกอ่ะนี่ไม่คือว่ากินได้แต่ว่าไม่ชอบไม่พอใจที่จะกินอต่นันก็เกิด พอเกิดขึ้นมานี่เราจะเห็นว่าอย่างเบาๆนี่ก็กลายเป็นกุกุตะแล้วก็อาจจะออกมาเป็นพยาบาทเป็นนิวรนข้อที่สองทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะลดไล่จางคลายไปได้ยังไงขนาด จ, จางไปคลายไปบรรเทาไปให้ลองสังเกต น, นะฮะว่าธรรมะสมมติว่าเรามีศรัทธาต่อคนสักคนหนึ่ง คนคนนี้ก็ทําอะไรที่ตามปกติแล้วเราจะไม่ชอบถ้าคนอื่นทำเนี่ยแต่กับคนนี้เราไม่โกรธ ถ, ถ้าเราสังเกตว่าถ้าพูดตรงเนี่ยคือเมตตาตัวที่จะแก้เนี่ยก็คือเมตตาแต่ให้ลองสังเกตดูจิตเนี่ยคือคืออยากจะให้ให้มองที่จิตคือถ้าเราถ้าเรามองที่อื่นอยู่เรื่อยแล้วมันบางทีในจริงๆเราก็ท่องเป็นอาฆยานมานะะ มันต้องดูที่จิตว่าไอ้จิตเราเนี่ยสมมติเรามีศรัทธาเราจะเกิดรําคาญไหมกับคนเนี่ยมันไม่เกิดนะเรากรุณาเขาเรารําคาญเขาไหมเราไม่รําคาญเรามมติตาเขาเราเราเรารําคาญเขาไหมเราไม่รําคาญเราไม่ตาเขาเรารําคาญเขาไหมเราไม่รําคาญเนี่ยนะฮะเรามีปัญญาเรารําคาญไหมไม่มีเรามีสติ มีคนทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรนะแต่ถามว่าเราโกโรธไหมเราก็ไม่โกโรธเพราะสติมันปิดกั้นเอาไว้โดยจริงเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่จริงมันเป็นอนเนกประสงค์อาจามาเวลาตรวดข้อสอบจนตนทั่วในเลิกสวดไปนานหลายปีนะรำคาญนะไปเฉียงกันในทีใน่ในโต้ทุกทีก็มามองในแนวสภาวธรรม แล้วไม่อ่านเฉลยสนามหลวงตัวข้อสอบไม่เคยอ่านเฉลยสนามหลวงอ่านเฉพาะคำถามที่ถามถามอย่างนี้นักเรียนนะักธรีบวดมาสามสี่เดือนตอบได้ขนาดนี้ถูกต้องไหมโดยเนื้อหาสาระมันไม่จำเป็นจะต้องตรงกับเฉลยเฉลยหรอกเพรา ะ, ะเวลาตอบเวลาตรวจเราจะมีความขัดแยง้งเอาที่พวกพว ก, กเขาเฉียงเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเด้มามองที่ตัวสภาวธรรม พอเราจะเห็นว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในโครงสร้างของกุศลกรรบุอกุศลกรรบุอะไรก็ไม่รู้ว่ามันลดกิเลสได้ก็แล้วกัน <S <S ไม่จำเป็นจะต้องตรงๆรงไม่จำเป็นจะต้องตรงตัวถ้าตรงตัวเนี่ยมันก็คือเมตตาแต่แต่ว่าลองคิดดูนะลองคิดเรื่องอื่ น, นะอะไรก็ได้ขันติสมมุติว่าขันติเลยธรรมะเลยอ่ะข่มใจ ขันติความอดกลัน้นความอดทนถามจะเกิดปฏิฆามันไม่เกิดอะ่ะธรรมะจึงมีลักษณะเป็นอเนกประสงค์แต่บางทีเราก็ยึดติดมากไปหน่อยต้องอย่างนี้ท่า น, นั้นองค์นี้แก้กันนี้องค์นี้แก้กันนี้ที่จริงไมจริงธรรมะก็คือธรรมะธรรมะนี่เข้าต่อสู้กับกิเลสได้ทั้งหมดอหะแล้วข้อใดก็ตามนะศรัทธาก็ได้วิริยะก็ได้สติก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้อะไรก็ได้ เขาต่อสู้กิเลสได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องตรงตัวพอาะสำคัญว่ามีสิทำยังไงวะธรรมะมันมีขึ้นมาได้มียุภายในใจเป็นหลักใจถ้าเรามีปัญญาเป็นหลักใจเรามีสติเป็นหลักใจเรามีศรัทธาเป็นหลักใจเรามีเมตตาเป็นหลักใจในแต่ละอย่างเป็นหลักใจได้แล้วนั้นมีสัจจะเป็นหลักใจอธิษฐานใจว่าต่อไปเราจะไม่กลัว เช่อธิษฐานใจเดือนนี้เราจะไม่โกรธพรรษานี้เราจะไม่โกรธพรรษานี้เราจะไม่ดื่มเหล้าอะไรต่อะไรเนี่ยมันเป็นตั้งสัตยาธิฐานคือไม่ต้องไปบอกใครก็หรอกเราก็ทำก็เราเองท่้นพังต่ได้เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม จะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี